รุตงมีความรู้สึกบา ง, างอย่างอยู่ครับไม่ทราบอะไรไม่ทราบนะครับแต่ก็อยากจะคิดว่าตัวเองพบทางนะครับอยากจะขอบคุณพระอาจารย์ครับด้วยกันบูชาด้วยกันภาวนานะรู้สึกดีนะรู้สมากเลยรู้สึกใจครับหนูพ่อมก่อนหาครูบาอาจารย์นะเรายากจนนะโหเห็นคนอื่นเขามีอะไรถวายเยอะแยะแล้วไม่มีอ่ะมีได้นิดๆหน่อยๆ เราบอกว่าเราจะปฏิบัติบูบชานะท่านปลื้มมากเลยถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้นะครูบาอาจารย์อายุยืนร้อยปีเลย <c oughs> <c oughs> คุณตั้งรู้สึกไหมใจมันยังเกินอยู่ดูออกไหมตอนนี้รู้สึกตัวรู้สึกเต็มที่ไหมตอนเนี้ยรู้สึกมันแบบมันกระจายไปค่ะนะกระจายไปด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กดเอาไว้ด้วยดูออกไหม มีทั้งกระจายมีทั้งตัวนิ่งๆตัวหนึ่งพยายามทำให้มันสมดุลมั้งค่ะอย่าพยายามเลิกไปเลยจะดูค่ะมันละเอียดนะคะ่อยมันไปนะแต่ว่าให้เรารู้ทันว่าใจมันกระจายแต่ขนาเดียวกันก็ไม่ไปกดมันไว้มันมันเลยเป็นส่วนประกอบที่แปลกนะทั้งกดทั้งกระจายคือมันกดจนจะกลายเป็นปกติ เจอหน้าที่อะไรเป็นอย่างนี้ทุกทีรู้สึกไหมหรือว่าออกไปข้างนอกไม่เป็นเป็นเฉพาะตอนมาที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าพอคล้อยหลังลงพ่อแล้วไม่เป็นใช่ไหมหนึ่งเออให้มันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างยังค่อยยิงชั่วหน่อยถ้ามันเป็นตลอดนะต้องจัดการละเมื่อวานนี้ก็ถามพ่อนิลผลพ่อพูด เร่องจงหรือว่าให้กําลังใจครับเรื่องอะไรนะที่บอกว่าดีขึ้นเยอะให้กําลังใจหรือว่าเรื่จริงครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานผมรู้สึกตัวเองว่าตั้งแต่เช้าอ่ะก่อนที่ผลพ่อบอกอะมันรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเองโดยไม่ได้บังคับตัวเองนะเหมือนตัวเองว่ามันลงไปนับหนึ่งใหม่ครั้งละตอนเช้านอะไรมันดีละนับหนึ่งไว้นะแต่ว่ามันจะใส่หรือว่าสว่างกว่าเดิมค แต่อตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะ<ช>รู้สึกไหมยกกันไม่ได้อย่างเมื่อวานว <c oughs> อย่าพยายามเยอะ <c oughs> นับหนึ่งลูกเดียวกรรมาฐานนะมีแต่นับหนึ่งนะคือรู้กายรู้ใจลงปัจจุบนนะันเราไม่ต้องมีสองมีสามอะไร <c oughs> ทุกวันก็ค่อยดูใจของเราไป <c oughs> มันจะนับหนึ่งของมันเท่านัน้นมันก็เป็นอย่าเป็นนับสองทุกวันทําเหมือนเดิมนั่นแหละหลวงปู่มั่นก็สอนนะบอกมันเหมือนคนทํานา ปีนี้ก็ทําอย่างเนี้ยปีหน้าก็ทําอย่างเนี้ทําอยู่อย่างนั้นแหละซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ่ะหรือเหมือนคนทอผ้านะทอผ้าสมัยโบราณใช้หูกใช้อะไรกันทอมันก็ซ้ําอยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกรู้อยู่เฉพาะหน้าไอ้วี่ดูโมหะนี่มันมันเบามากเลยเบาแบะมันไม่ท <c oughs> ่านไ่สังเกตมันแทบจะไม่เห็นความโมหะโมหะมีหลายแบบโมหะแบบหนึ่งฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะชนิดหนึ่งอย่างตอนนี้เออครับ ใจหดหูซ่ซึมลงไปซึมซึมก็เป็นโมหะอีกอย่างหนึ่งนะใจมัวมัวดูอะไรไม่รู้เรื่องก็เป็นโมหะใจลังเลสงสัยก็เป็นโมหะ น, ะนี่ตะกูดโมหะมันเห็นไม่ชัดแต่เออเหมือนแต่รู้รสึกไหมตอนเนี้ยดีกว่าเมื่อกี้อันนี้นิดนึ่งเหรอให้รู้ลงอย่างเงี้ยดูความเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันนะมันจะดี เพราะธรรมชาติเดิมของจิตเนี่ยประพัดสอนมันผ่องใสอยู่แล้วเราไปทำให้มัวเองมัวก็เพราะกิเลสนั่นแหละกิเลสเป็นตัวมืดตัวมัวจิตใจของเราโดยธรรมชาติมันผ่องใสถ้าเราไม่ไปปรุงไปแต่งมันนะมันก็ผ่องใสสิตอนนี้มันกังวลเ <c oughs> นี่ยกังวลให้รู้ว่ากังวลถ้ารู้ไม่ทันนะก็จะทำกลัวไม่ดีล้วก็จะทำพอทแล้วก็แย่เลย กิเลสมันหลอกเราเอางหลอกให้เราทำเข้าใจไหมหลอกให้เราปรุงให้เราแตง่ง ใ, ใจหลงลงมือทําลงมือปรุงแต่งเมื่อไรนะมันก็ปิดกั้นเราไว้จากมรรคนิพพานไม่มีใครปิดกั้นเราจากมรรคนิพพานนะเราปิดกั้นเองเพราะว่าความปรุงแตง่งทําไมต้องปรุงแตง่งเพราะว่ารักตัวเองรักตัวเองนะเลยไปปรุงแตง่งเลยไม่ได้นิพพานสักทีมันเหมือนอะไรนะมันพันเงินไปพันเงินมานะ ท่องใจถึงถึงจิตใจเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยผ่องใสอยู่แล้วจิตใจเนี้ยถ้ามันไม่ปรุงแต่งนะมันจะเห็นนิพพานบางอารมณ์คิดเหมือนดูเหมือนง่ายมากครับง่ายมากบางอารมณ์ก็ดูเหมือนง่ายจนยากสับสนมาน่นแหละมันง่ายจนยากมันง่ายจนยากนะมันเหมือนที่หลวงพ่อเล่าเรื่องลิงให้ฟังอะเรื่องลิงติดตังมันแค่แบมือเท่านั้นมันก็หลุดละแต่มันแบมือไม่เป็น มันก็ถูกเขาเอาไปกินยังให ม, ม่เลยค่ะ <c oughs> เคยฝึกมาจากไหนเคย<อ>ทำกรรมฐานแบบไหนก็ต้องทำสมาธิก่อนนะถ้าสมาธิไม่พอดูเวทนาไม่ไหวนี่เราทำสมาธิใจให้ตั้งมั่นนะแล้วก็ดูลงมาในกายนีย่เราเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ต่างหาก ในอีกส่วนหนึ่งแยกกายแยกเวทนาแยกจิตกระจายตัวออกจากกันเสร็จแล้วก็รู้สึกในในกายนะกายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเวทนาเป็นนามนธรรมอย่างหนึง่งแทรกเข้ามาในกายจิตเป็นแค่คนรู้คนดูค่อยๆฝึกไปใจขันออกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยดูความจริงของขันแต่ละขันไปขันแต่ละขันนันแต่เป็นขันเท่านั้นคือไม่ใช่เราหรอก ไม่มีตัวเราในขันทั้งหลายค่อยๆดูไปอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าหนักหน่อยนะฝึกสายโคเอนก้าดูเวทนามันเหนื่อยมันเจ็บเออคือถ้าถ้าทำกรรมฐานดูเวทนานะต้องทนเจ็บทนปวดเอา ถ้าทํากรรมฐานฐานกายฐานจิตไม่ต้องทนเจ็บทนปวดอย่างถ้าฐานกายเนี่ยนั่งพอมันปวดนะเราก็ขยับกระเยื่นไปเราก็เห็นเลยวัตถุก้อนธาตุนี้มันขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวไปวัตถุนี้ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ดูกายไม่ต้องทนเจ็บถ้าจะดูจิตเรานั่งไปแล้วจิตใจเรากระสับกระสายมันเจ็บกระสับกระสายรู้ว่ากระสับกระส่ราเปลี่ยนอิริยาบถได้ เป็นอิริยบทแล้วจิตใจสบายขึ้นมารู้ว่าสบายเพนั้นเราจะทํากรรมฐานแบบเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ก, ก็ได้นะแล้วแต่สะดวก <c oughs> ถ้าดูเวทนาก็ทุกข์เยอะหน่อยดูเวทนาก็ห้ามห้ามขยับต้องนั่งดูไปจนกระทั่งใจมันยอมรับเวทนาอยู่กับเวทนาโดยไม่ไ ม, ไม่ทุรนทุรายก็เห็นเลยเวทนาไม่ใช่ตัวเราเหรอกเหมือนเพื่อนมาอยู่ในบ้านเรา ใจอยู่ต่างหากใจก็มีแต่ความสงบสุขนะเวทนารุนแรงแค่ไหนใจก็ยังสงบสุขอยู่ได้เห็นในทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราต่างคนต่างเป็นขันทําหน้าที่ของขันเนแต่ต้องทนเอาหลายคนผ่านด้วยเวทนานะก็มีครูบาอาจารย์บางองค์วัดป่าเนี่ยถ้านั่งภาวนาในในป่านะชาวบ้านทําแคล้ให้นั่งแคล้ไม่ไผ่อะไรเงี้ยเวลานั่งลงไปมันยุบลงไปนะ พายุบลงไปมันไม้มันแยกออกแล้วมันก็หนีบไปอย่างเงี้ยถูกหนีบนะตั้งใจไปจะนั่งทั้งคืนน่ะโดนไม้หนีบอยู่ทั้งคืนนะ่ะก็ทนทนดูเอาเนี่ยมันรักตัวกลัวตายนี่พวกเวทนาต้องสู้หนักหน่อยพวกดูดายก็แค่มันเจ็บมากก็ขยับขยื่นไปเห็นในตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนไม่ใช่ตัวเราหรอก มันพวกดูจิตยิ่งสบายใหญ่นะนั่งเมื่อยก็ขยับไปขยับไปแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยหรือมันเมื่อยขึ้นมาอยากจะขยับรู้ว่าอยากขยับก็ดูจิตใจเขาทำงานไปเรื่อยสบายอย่างหลวงพ่อเลยเป็นสุขาปฏิปทาแต่ดูจิตบางองค์ก็เป็นทุกขาปฏิปทานะท่านตรากตรำหนักเลยเดินหามลุ่งหามค่ำนะหรือออกทุดงทรมานมากมาย เกือบไม่รอดกลับมาปฏิบัติทางใครทางมันที่ทำอยู่ใช่ได้แล้วจิตใจตอนนี้มันตื่นแต่ตะกี้ไม่ตื่นถ้าเป็นแบบหลวงพ่อนะนั่งกับพื้นไม่สะดวกก็านั่งเก้าอี้ทำไมนั่งเก้าอี้ไม่ได้หรือไงไม่มีเวทนาหรือไม่ใช่อะนั่งเก้าอี้ก็มีเวทนา ถามอีกนิดนึงทำไมจะต้องดูแต่ทุกขเวทนาทำไมไม่ดูสุขเวทนาบ้างเรานั่งดูสุขเวทนาสิเห็นดับเร็วนะทุกขเวทนานั่ดับยากเนอะดูสุขเวทนาหรือดูอุเบกขาเวทนาอุเบกขาทุกเวทนาดูที่ใจได้ได้เขาก็อี่เขาทำไว้ให้นั่งนะนะได้เหยียดเท้าก็ได้นะ อย่าห้อยหัวแบบเล่นอะไรนะเรี่ออะไรโยคะเอหลวงพ่อพูดเคยสอนหลวงพ่อไม่ได้สอนหลวงพ่อมีโยมมาถามนั่งเก้าอี้ไม่ได้เะี่้นั่งขัดสมานไม่ไหวอย่างนี้ท่าบอกนั่งเก้าอี้ก็ได้ที่นั่งเก้าอี้แล้วจะดีหรอเดี๋ยวภาวนาไม่ได้นะ่ะเปเถียงท่านอีกนะท่านบอกว่าเอาเชือกผูกขาห้อยมาจากเพดานก็ทําได้นะเหมือนไม่เกี่ยวกับอิริยาบทท่าทางอะไร มันอยู่ที่จิตใจของเราภาวนาถูกต้องไหมมีสติมีสัมมาสมาธิไหมมีปัญญารู้ความจริงของกายของใจไหมหลวงพ่อคะบางครั้งกูว่าตัวเองจะหลงก็เลยชอบไปเพ่งกับเจ้งจิตค่ะตอนนี้กำลังหลงอยู่ <c oughs> ขณะจิตเนี้ยรู้สึกไหมตอนที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังตะเกียมันลืมกายลืมใจ <c oughs> เมื่อไรลืมกายลืมใจมนั้นเรียกว่าหลง เมื่อไรกลัวจะหลงก็ไปนั่งจ้องกายจ้องใจก็กลายเป็นเพ่งหลงไปก็ผิดนะเพ่งไปก็ผิดเป็นความสุดโต่งสองด้านนี่ทำไงดีจิตหลงไปรั่ว่าหลงจิตไปเพ่งรู้ว่าเพ่งแต่ถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะให้มันหลงไปเลยลืมลื ม, ลมการปฏิบัติไปหลงแล้วคอยรู้สึกเอาทำง่ายถ้าเพ่งไวจนแข็งแข็งนะแก้ยาก มันบางทีเพ่งแล้วรู้มันแน่นๆแน่นอนละรู้รู้แล้วตัวเองไปเพ่งละไปเฝ้าไปจ้องไปจ้องมันไปเฝ้ามันเฝ้ามอนมากเนี่ยเราก็รู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยเห็นไหมเราไปทำขึ้นมาเองเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเมื่อสองสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นน่ะตื่นนอนแล้วก็เห็นความคิดผุดขึ้นมาแล้วพอรู้มันก็ดับขณะที่เหมือนยังตาอย่างไม่เหมือนยังงงเงียอยู่ห แล้วมันก็ว่างแล้วมันก็คิดอีกอืมแล้วพอรู้มันก็ดับไปอีกแต่พอตื่นปุ๊บไม่รู้ว่าคิดอะไรนะแต่รู้สึกสบาย <c oughs> ไม่เหนื่อยเช้านั้นอะนั่นแหละดีแล้ะฝึกอย่างนั้นแหะรู้แต่ไม่ต้องรู้ว่ารู้อะไรอะดีถ้ารู้ว่ารู้อะไรนี่นะมันเติมสมมติบรรจัติลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในในระหว่างออในระหว่างวันสมมุติเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราควรจะมานั่งภาวนามากๆหรือว่าตามรู้ตามดู คือการทำในรูปแบบเนี่ยนะมีประโยชน์อย่าทิ้งนะถ้าเราทำได้ไม่ทิ้งอ่ะอย่างน้อยได้ความสงบสุขทางจิตใจพอจิตใจสงบสุขแล้วเราก็ทําในรูปแบบนะหัดสังเกตสภาวะไปเนะช่นเราทํากรรมาฐานดูลมหายใจดูท้องอะไรอย่างเนี้ยใจไหลไปเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ทันใจเข้าไปเพ่งรู้ทันหัดรู้สภาวะนะพอหมดเวลาที่จะทําในรูปแบบแล้วเนี่ยเรามาเจริญสติในชีวิตประจำวันสติจะเกิดเอง แต่ถ้าเราไม่ฝึกซ้อมในรูปแบบไปเลยนะสติไม่ค่อยเกิดหรอกทีนี้เวลานั่งนั่งภาวนาเนี่ยชอบไปติดความง่วงแล้วเคยเห็นความง่วงที่คือพิจิไปพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเคยเห็นมันลอยไปเหมือนควันแต่ไม่ใช่ควันแล้วมันก็ความง่วงก็หายไปเลยนะคะอันนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าก็ใช่ได้ก็แค่เห็นว่าความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแค่นั้นพอละนะ จะดูทุกสิ่งที่ผ่านมาให้จิตเราไปรู้เข้าเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดดูแค่นี้แหละ <Okay. S 1> ไม่ต้องค้นคว้าเยอะนะ <Okay. S 1> นี่เบอร์สิบสี่ไหมลืมเวทนาไปละตอนนี้ก็มัวๆ แ, แล้วเนี่ยแไป<อ>บังคับมันจิรัสดีนะมันเนี้ยใจถึงถึงนูว่ค่คะถ้าเกิดการรู้แล้วมันไม่ต่อเนื่องอะคะ่ะมันมีปัญหามากไหยคะ คือเรารู้ให้มากที่สุดที่ทําได้อะแต่มันไม่ต่อเนื่องหรอกรู้ได้แว บ, บหนึ่งก็ขาดแวบบหนึ่งก็ขาดถ้าไม่ต่อเนื่องแล้วแว บ, บหนึ่งขาดแวบบหนึ่งขาดนันดีที่สุดเลยดีกว่าต่อเนื่องอีกจต่บางทีก็รู้ตัวได้ถีบางทีก็ไม่ก็ เ, เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราสติก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกวันตลอดเวลานะนี้วันใดสติเกิดมาเราดีใจให้รู้ว่าดีใจวันไหนภาวนาไม่ได้เลย รุ่มใจแล้วเนี่ยให้รู้ว่ากลุ่มใจให้รู้ว่าทุรนทุรายอย่าไปทุรนทุรายกับมันนั้นเวลาเราเราชอบเรียกว่าเสื่อมบางวันมันเสื่อมไปนะภาวนาไม่เป็นแล้วทาไม่ได้ตกใจตกใจเรายิ่งดิน้นนะยิ่งดิ้นยิ่งเสือ่อมเสื่อมนานแต่ถ้ามันเสื่อมไปเราไม่มีสติเลยรู้ว่าไม่มีสติอย่าไปเสียใจอย่าไปตกใจนะใจเราสบายสบายรู้เออวันนี้เซ่อเซอย่างเงี้ยรู้ไปเงี้ยรู้โง่โง่ไป ง, งั้นแะ ถ้าใจเราไม่ดิ้นนะเดี๋ยวก็ดีเองอเพราะที่มันไม่ดีก็เพราะไปดิ้นนั่นแหละจีรัดดีครับก็ยังมีกุกมีเราแวงเราแวงนิดๆครับใช้ได้นะไไแล้วอีกใบเวลาตอนนี้เดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่หนีไปทั้งคู่เลยนะให้รู้ทันนะคือเราจะเดินกายเวทานาหรือจิตอะไรก็ได้แต่ตัวสำคัญคือสติ สติเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่าให้หายไปนานเนี่ยเผลอแวบไปแล้วรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจแวบไปแต่พอเราเนี่ยพอจะไม่ให้ลืมกายลืมใจก็จะไปนั่งเพ่งเออมันจะสุดโต่งเนี่ยพลิกไปพลิกมาอยู่นี่นะเราดูไปเราเกิดสภาวะแค่สมอันอันนึงเผลอไปอันนึงรู้สึกขึ้นมาห น, นึ่งไปเพ่งพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอก็เพ่งเนี่ยดูใจใจสามอย่างนี้เสมอภาคกันนะ ไม่ใช่ว่าใจเผลอใจเพ่งไม่ดีแล้วใจรู้สึกตัวดีไม่ใช่ทั้งหมดเสมอภาคกันเราเผลอไปเรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นความเผลอเกิดแล้วดับรู้สึกได้แวบเดียวเดี๋ยวก็เผลอใหม่นะแล้วก็รู้สึกขึ้นมาอีกเราก็จะเห็นความรู้สึกตัวนี้เกิดแล้วก็ดับในที่สุดจะเห็นเลยทั้งเผลอทั้งรู้สึกตัวนู่นแต่เกิดแล้วก็ดับแต่เพ่งนี่ไม่ค่อยอยอมเกิดดับนะมันจะซ้ำซากอยู่นานงั้นการเพ่งเนี่ยทำให้เสียเวลานาน ถ้าเพ่งเก่ ง, งๆไปเป็นพระพรหมเสียเวลานานหลายกลับถ้าเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นเลยเดียวก็เผลอเดียวก็รู้สึกจิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้นั้นจิตที่เผลอและรู้สึกเนี่ยเท่าเทียมกันมเกิดแล้วดับเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่ารักอันนึงเกลียดอันหนึง่งไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึง่งเพื่อจะผลักอีกอันหนึ่งออกไปเราฝึกเจงกระทั่งเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่รักความรู้สึกตัวเกลียดความเผลอเพราะไม่ต้องกลัวเสื่อมนะ ถ้าเรากลัวเสื่อมแสดงว่าเรารักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งอ่ะมีคำถามว่าคือพักนี้ชอบสังเกตจิตว่าทำอะไรคือแต่ไม่ได้อย่างเช่นเวลาจิตไม่ถึงฐานนี่ก็รู้แต่ไม่ได้ไปเสียโกรธหรือไม่ชอบหรืออะไรแล้วก็มีสังเกตเห็น เหตุของบางอย่างเช่นโมหะบางตัวเนี่ยเออเออมันมาจากอะไรเบางอย่างมันมาจากอะไรไม่เหมือนกันมันรู้เองอะมันเค่อยพเราเห็นซ้ำๆนะเรารู้เหตุของมันบางอย่างมาจากกายบางอย่างมาจากอากาศโมหะอะไรเงี้ยได้ก็ดูไปเรื่อยๆไอ้ตัวสังเกตนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่แอคชั่นไม่ใช่การตรงนั้นแต่อยาจงใจสังเกตเยอะถ้าจงใจสังเกตเยอะจิตจะฟุ้งซ่านเนจะฟุ้งเกินไปแล้วจักเขาเห็นเอง แต่ว่าตอนนี้จิตพี่ัยมันฟุ้งเกินไปฟุ้างใซ่ิดมันค้นคว้ามากไปตันนี้ต้องแตะเปลกนิดนึงนะมันเร่งเครื่องเยอะไปาการที่เราหัดดูสภาวะธรรมนะเบื้องแรกเราจะเห็นตัวสภาวะก่อนยังไม่รู้เหตุรูปผลอะไรหรอกเราเห็นตัวสภาวะนะเช่นมันมีอะไรพุ่งขึ้นมานี่ร้อนร้อนพุ่งขึ้นมาแล้วใจเรากระวนกระวายขึ้นมาเราเห็นนะ อ, อ, อย่างนี้ต่อไปเรารู้ว่านี่เรียกว่าโทสะมันมังอย่รู้สมมติโทสะผุดขึ้นมาเห็นเลยโทสะหน้าตาเป็นอย่างนี้เองโทสะทํางานขึ้นมาทําแล้วเกิดผลอย่างนี้มันเริ่มเห็นอย่างนี้แต่พอเห็นซ้ําแล้วซ้าอีกหลายๆรอบเข้านะมันจะรู้เหตุของมันงั้นเวลาที่เรารู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างรู้จักสภาวะแต่ละอย่างเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตำราเขาเรียกว่าลักคณาที่จตุกะ ล, ลักษณะอาธิจตุกะแต่ว่าองศีองศีลัคนเป็นอาิมีองศีนะมีลักษณะเป็นเบื้องต้นลัษณะที่จตุกะหมคือมันมีลักษณะยังไงมันมีกิจยังไงนะมันทำกิจแล้วทำหน้าที่ของมันแล้วมีผลยังไงมันจะเห็นเป็นลำดับไปต่อไปพอเห็นมากๆนะจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิด รวมเป็นสี่อันตัวมันคือเป็นยังไงมีลักษณะยังไงตัวมันทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่แล้วเกิดผลอะไรตัวมันนี้เกิดมาจากอะไรสุดท้ายจะไปเห็นว่าตัวมันกเกิดจากอะไรพอเห็นว่าตัวมันเกิดจากอะไรนะถ้ามันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะไม่เกิดหรือบางครั้งเราภาวนาไปนะหรือเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆ ถึงจุดที่มันรู้เหตุขึ้นมารู้ว่อนี่มีกรรมมาจากอันนี้นะพอรู้แจ้งอย่างนี้ปั๊บเนะต่อไปโรคนั้นหายเลยอันนี้โรคที่เกิดจากกรรมนะถ้าโรคเกิดจากอาหารกินยาพิษเข้าไปนละไปนั่งพิจารนาตายแง่แงเลยนะหรือเกิดจากอากาศสิ่งแวดล้อมมนุษย์อยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพะพิจารณาไงก็ตาย ถ้าเรารู้รู้เหตุมันเมื่อไหร่นะมันจะคล้ายๆรู้แจ้งมันลนะจะเข้าใจมันแจมแจ้งลักษณะของสภาวะตัวนั้นเราจะเข้าใจแจ้งแต่ว่าไม่ต้องค้นคว้าเยอะอย่าไปตั้งใจสังเกตถ้อ ย, อย่าตั้งใจสังเกตถ้าเมื่อไหร่เขาแจ้งแล้วเขาถ่ายทอดขึ้นมานะในนี้จะทราบซึ้งนะใจเราก็ไม่ฟุ้งด้วยจิตใจมีความสุขด้วยตอนนี้เลยฟุ้งไปหน่อยฟุ้งไปไหนยดูออกยัง นห่อยใจมันฟุ้งนะคุณนียังมีโมหะอยู่ค่ะแล้วก็แต่ว่าสองวันนี้จะรู้สึกตัวได้ดีกว่าตอนช่วงที่งานหนักๆที่ที่ใจแน่นๆก็รู้สึกว่าเบาลงหลวงพี่คะความกังวลนี้เป็นโมหะหรือเป็นโทสะคะเป็นโทสะเพราะว่าสังเกตว่าจะมีตัวนี้เยอะม่นใจใช่ค่ะม่แล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังช่วงค่ะ ส่ไปโน้นก็นได้อะจูนก็ช่วงสองเดือนที่ผ่านสองสามเดือนที่ผ่านมานี่จูนจะรู้สึกเหมือนลู้กายมากกว่ารู้จิตเพราะไม่รู้ว่าจะดูอะไรที่จิตอะค่ะมันโมว ม, มดูไม่ออกไม่มันไม่มีแรงจะดูะจิตมันโมหะเยอะค่ะมันไม่มีแรงถ้าดูจิตไม่ไหว ก, ก, ก็ดูกายก็ถูก<ล>เป็นเยอะนะญาติโยมพอปีใหม่นี่นะคุณจะทมความดีถดถอย <laughs> ช่วงปีใหม่อะมีเมื่อวานที่จูนนั่งนั่งอยู่อะค่ะแล้วจูนก็เห็นว่า มันมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วยังไม่ทันมีคําพูดน่ยนะคะมันก็จะมีการเหมือนกันไปให้ค่าติลักษณะมันเหมือนกันให้ค่าตีความบางอย่างเกิดขึ้นอย่างชนิดที่คําพูดก็ยังมาไม่ทันเหมือนกันใช่ใแล้วเวลารู้โดยที่ยังไม่มีคําพูดไปภาคเนี่ยมันก็มันก็คือรู้ขึ้นมาได้เออมันก็เลยเหมือนสภาวะที่จุนเห็นมัเหมือนกับว่าเห็นสภาวะที่พอเริ่มเริ่มจะให้น้ําหนักมันนะคะเริ่มไม่เป็นกลางปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็รู้ขึ้นมาแล้ว เมื่อกี้นี้สักพักนายจูก็เห็นเลยว่ามันมีอาการจงใจจะไปรู้ควา ม, มไม่เป็นกลางแต่พอมันรู้อย่างที่มันไม่เป็นคำพูดขึ้นมาจริงๆมันถึงจะรู้จริงอะค่ะดีละค่ะพูดอะไรที่ยังพูดออกมาได้นะยังไม่ใช่ของจริงเจ้าคุณนอถึงบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงสังเกตไหมว่าทีแรกใจเราอยู่ในผวาวยังไม่ได้รับรู้อะไรต่อมามันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ข้างใน ต่ก็ยังไม่ทันรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่มันก็มาปรากฏขึ้นทางตาทางหูอะไรเงี้ยไปมองเห็นหรือได้ยินเสียงมองเห็นปุ๊บก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมีการส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วใจให้ค่ารู้สึกไหมใจให้ค่าตรงที่ใจให้ค่าพิจารณาให้ค่าเนี่ยมันทำงานตัวเนี้ยเรียกว่าสันติระนจิตสันติระนจิตเสร็จแล้วมันถึงจะตัดสิน ให้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทางใจขึ้นมาเมื่อที่ตัดสินนี้เรียกว่าวทัพนาจิตเสร็จแล้วจิตใจก็จะเคล้าอยู่ในอารมณ์อันนั้นที่เป็นกุศลอกุศลอันนี้เป็นชาวนาจิตพอมันจับอารมณ์ได้ชัดอยู่ช่วงหนึ่งมันจะค่อยๆเบลอลงไปเบลอลงไปนิดนึงนะเรียกว่าตาารามนาจิตไม่ต้องจําชื่อก็ได้แต่ว่าเราภาวนาเราจะเห็นเหมือนในอภิธรรมเปะเลย เสร็จแล้วจิตจลงผวังตัดความรู้สึกเรื่องนั้นไปเดี๋ยวก็ไหวตัวขึ้นมารับอารมณ์ใหม่มาพิจารณาใหม่ตัดสินใหม่เนี่ยจิตก็เดินวนทํางานอยู่อย่างนี้แล้วสภาวะที่เราไปรู้ในขณะที่เขากําลังให้ค่าหรือรู้ในขณะที่เขากําลังเข้าไปเคล้าออันนั้นนั่นก็คือมันจะตัดการทํางานของเขาหรือเปล่าคือมันคนเราวิจิตรละค่ะ ตรงที่เขาพินาให้ค่าเนี่ยนะอันหนึ่งนะตรงที่รู้ว่าเขาให้ค่าเนี่ยมันขึ้นวิถีใหม่ละอ๋อค่ะแต่พอให้พอรู้ว่าเขาให้ค่าสักพักหนึงมันก็จะมันก็จะเบลอลงอตรงเบลอลง น, อ น, นั่นแหะที่เรียกว่าตาทาร ม, ะมนะหยบเบลอลงไปแล้วก็ลงผวังนะพอ <c oughs> ลงผวังแล้วมันจะแบงไปช่วงหนึ่งเห <c oughs> มือนก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่ นี่เราจะเห็นเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างอันหนึ่งมาขั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นอีกจนยังไม่เห็นชัด ต, ตรงที่มันมีช่องว่างขั้นนะ mm hmm. จนเห็นแต่ว่ามันเป็นอีกอันแล้วเป็นอีกอันเออเห็นว่าโคานละอันใช้ได้แต่ว่ามันไม่เห็นตรงขั้นจะออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรกลัไปก็จะเห็นความดับได้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะอันนี้เห็นว่าเอออันนี้มีอยู่แล้วก็หายไปมีอีกอันหนึ่งขึ้นมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูอย่างนี้กันค่ะพอดูอย่างนี้แล้้วเเลยยรรููสึก่าโอออมมันีะะไใหด เ ย, เยอะมากเลยประมาณแล้วสนุกมากเลย <c oughs> สนุกจนลืมกินข้าวเลยนะสนุกกรรมาฐานนะั้นทําแล้วสนุกจริงๆมีอะไรให้เรียนได้เยอะแยะเสร็จแล้วเราใจหายเลยนะว่าทาไมแต่ก่อนเราโง่ๆเราไม่เคยเห็นเลยเรารู้แต่สิ่งอื่นไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลยกนะระบวนการทํางานทางจิตใจนี่มันทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นมาหัดภาวนาแล้วถึงเห็นแล้วต่อไปถึงจะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่า คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเอง <laughs> นี่คือกระบวนการที่เห็นน ะ, นะ่นแหละจะสร้างขึ้นมาจะไปเราจะเห็นตอนนี้เราเห็นเรื่องวิถีของจิตต่อไปเราก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมบทัทคนที่เห็นปฏิจจสมบัทต้องเป็นพระอริยบุคคลนค่อยเรียนไปนะอ่ะเบอร์หกสิบเก้า คือตข่าวที่แล้วที่ท่านสอนว่าลงกระไดแล้วมันมีสติแบบทางโลกอะค่ะทีนี้หนูก็พยายามจะปล่อยสติทางโลกแต่บางจังหวะเนี่ยมันวืดนะคะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราเราเร า, เราไม่ระวังเราก็จะกลับมาระวังอีกทีหนึง่งจากนั้นมันก็จะเหมือนจะเพ่งลงไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะคะ่ะเนอเพ่งอ ย, อย่างเงี้ยยังค้างกับการเพ่งอยู่ <c oughs> ให้รู้ทันไว้นะ ให้ดูทันไปก่อนห<ต>ล ง, งบ้างไม่เป็นไรนะ<อ>แต่ว่ามันเป็นการเสี่ยงอย่างเราหลงหลงเนี่ยถ้าเราตายไปปุ๊บเราไปเป็นเดรชาณเราเพ่งไว้เราไปสุคตินะไปเป็นปลมไปเป็นอะไรเงี้ยหรือเป็นเทวดาถ้าเข้าฌานไม่ได้เราเพ่งเพงไว้ก็เป็นเทวดาเข้าถึงฌานก็ไปเป็นพลมแต่การได้ไปเป็นเพ่งเอาไว้นะมีข้อเสียคือไม่เกิดปัญญา ตรงที่หลงหลงไปเนี่ยจิตออกไปทํางานแล้วถ้าเรามีสติตามรู้ได้มันเกิดปัญญามันคล้ายๆการเสี่ยงเหมือนกันเหมือนเสี่ยงเหมือนกันเหมือนชาวประมงนะถ้ากลัวไม่กล้าออกจากฝั่งนะเอาเรือขึ้นคานไว้บนฝั่งเนี่ยเหมือนเราเข้าฌานไปเงี้ยไม่อันตรายแต่ว่าไม่มีอะไรจะกินหรอกไม่มีผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเอาเรือออกไปกระทบอารมณ์เหมือนจิตเราออกไปกระทบอารมณ์เนี่ยเสี่ยงใช่ไหมเรืออาจจะล่มได้คือ ถ, ถูกกิเลสลากจมน้ําไป ในขณะเดียวกันมันก็เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาคือถ้าเราจิตเราเคลื่อนไหวทํางานไปเรามีสติขึ้นมาเนี่ยเรากําไรเราจะได้ปัญญาเงั้นมันมีความเสี่ยงเหมือนกันบางคนติดสมาธิมานานหกสิบกว่าปีหลวงพเคยเจออายุแปสิบ็ดลูกศิโลวปูเท่นลูกศิลป์อาจารย์เดียวกันนะแต่ตอนนั้นแกอายุ 87, แปดสิบเจ็ดนะแกะติดสมถะมาตั้งหกสิบปีแกบอกว่าเนี่ยแกไม่เกิดปัญญา ผงพ่อเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ายังไม่เกิดหรอกปัญญานะอีกหมื่นกับก็ยังไม่เกิดแต่ว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ทันลนะถ้าแก้ตรงนี้นะทิ้งการทำสมถะของแกตอนนี้แกเก็บกฎมาตั้งหกสิบปีจิตมันจะฟุ้งสุดขีดเลยไม่มีเวลาพอละเกิดตายลงไปตอนนั้นนะเลยไปอบายเลยแล้วต้องปล่อยไปก่อนเดี๋ยวให้พระพุทธเจ้ารุ่นหลังๆท่านสอนเอา เมื่อมันมีความเสี่ยงการที่เราปล่อยให้ใจทำงานเนี่ยไม่ใจปรุงอากุศลได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดผลประโยชน์ได้เราจะได้เกิดสติเกิดปัญญาแต่ถ้าเราเพ่งให้นิ่งนะปลอดภัยแต่ไม่มีอะไรขึ้นมาไม่เกิดสติปัญญาอะไรเราก็ต้องดูตัวเองนะว่าเราจะไปได้สักแค่ไหนแต่ว่าอายุวันนามขนาดเนี้ยนะฝึกวิปัสสนาทัน ฝึกไปนะยาวแต่พิ่งเสียเวลา